ตอนตอบคำถามคอสนักเรียนมัธยมวันที่ส0มิถุนายน2559หตอนที่สองก็เรามีเวลาช่วงสุดท้ายนะลูกที่ค้างคำถามเพราะครูจะไปเร็ ว, รวนะทำไมเราจึงลงไปกิ้งลงบนพื้นและเราควบคุมร่างกายไม่ได้ถ้าควบคุมได้เราก็ไม่กิ้ง <laughs> เข้าใจไหมถ้าเราควบคุมตั้งแต่แรกเราก็ไม่กิ้งแหละนะจิตมันพัานให้เรากิ้งเพื่อปรับสมดุลของร่างกายลูกตอนนั้นเนี่ยสมองเราควบคุมไม่ได้เขาอิสระและเขาจะทําให้เราเมาเคยได้ยินพระอรหันต์จี้กงไหมอรหันต์จี้กงนี่สะสูตท่านเนี่ยคือกินเหล้าให้มันเมามอมสมองสีกซายแล้วก็จิตก็ตื่นรู้ถ้ายังสมองควบคุมอยู่เนี่ยจิตตื่นรู้ไม่ได้ แต่ผู้เจ้าเตือนว่าให้ละเว้นกากการก่นเครื่องดองของเมา 99% ดื่มปุ๊บก็ขาดสติแต่วิชาพระอาหารหันต์ที่โกงนี่ยิ่งเมาเท่าไหร่จิตก็ตื่นรู้อย่าไปเรียนแบบมาดูคนละอย่างนะแต่จิตเราไม่ต้องพึ่งเหล้าไม่ต้องเสียสตางคิ้งแล้วมันก็เมาถ้าเราไม่เมาเราก็ไม่ยอมอาเจียนอุ้ยอาเจียนมันไม่ดีเนี่ยพวกเราชอบเอาเข้าไปใช่ไหม ไม่ชอบเอาออกมานะธรรมชาติเอาออกมาเป็นเรื่องดีหูอย่างเราต้องถ่ายต้องขับของเสียนะเวลาของไม่ดีนี่มันทําให้เราเมาเราก็อาจเจียนเราล้างพิษเข้าใจไหมเนะมันเป็นอุบายของจิตแต่บางทีเราเราทํำครึ่งหนึ่งนี่ตื่นขึ้ น, นมาปวดหั ว, วนะคล้ายๆมึนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันยังไม่หมดนะเพราะครูต้องบอกอย่าไปหยุดคันทีนะ บางทีคนจิ้งุชนปุ๊บนี่เขาก็สะดุดเพราะพลังไม่พอถ้าเราพลังพอเราชนปุ๊บเราก็จิ้งไปอีกเราไปหยุดตอนที่มันเบาสบายดีนะตอนนั้นก็ไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่ค้างอันนี้ที่เรียกว่ารรมลมค้างนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆถูกเราจะได้ชนานาญตายแล้วไปไหนแล้วชาติหน้ามีจริงหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจถ้าพวกเราไม่เชื่อเรื่องชาติหน้า เราก็ไม่ยอมสร้างกรรมดีเราคิดว่าตายเราจบไงลูกทีนี้รู้ได้ยังไงชาติหน้ามันยังไม่เกิดยกตัวอย่างเกิดเรากลับไปบ้านเห็นน้องอนะ่ะเรียนปถมเนี่ยเขาทำการบ้านหนึ่งบวกสองเท่ากับเราจะว่าเขาเขียนอะไรทำไมเรารู้อนาคตเห็นไหมทำไมเรารู้อนาคต เห็นไหมเขายังไม่ได้เขียนสามเลยทันเรารู้ว่ามันจะเขียนสามถ้าเราเราลึกชาติได้เราไปเห็นกรรมในอดีตเปรียบเสมือนมันเป็นหนึ่งอาวันนี้ลานค้าเมื่อวานขายได้หนึ่งคอมพิวเตอร์ก็บันทึกว่าหนึ่งวันนี้มันขายอีกสองบาทปุ๊บมันบวกเป็นสามเลยจิตเราก็เหมือนกันลูกถ้าเรารีวายไปดูอดีตเราแล้วเรารู้กรรมปัจจุบันปุ๊บเราจะเห็นอนาคตยังมีลุงคนหนึ่งเนี่ยถือกระป๋องสีเดินมา บอกลุงลงไปไหนไปซื้อสีทำอะไรเหรอจะไปทาบ้านบังเอิญเราเหลือบมองเข้าไปเห็นถังสีมันเขียนคำว่าขาวเรารู้อนาคตบ้านลุงสีอะไรนไรั่นแหละการเข้าไปในจิตเนี่งเป็นการเข้าไปหาข้อมูลเก่าข้อมูลเก่าที่เราบันทึกมาหลายชาติเนี่ยบวกกับข้อมูลปัจจุบันเราจะเห็นอนาคตลูกนะ นี่คือระบบกฎแห่งกรรมทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายบวกก็เรียกว่ากุศ ล, ลกรรมฝ่ายลบเราเรียกว่าอกุศลกรรมฝ่ายลบเรียกว่าบาปฝ่ายบวกเรียกว่าบุญนะเพราะคุูไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่หลังจากเราเระเบิดแล้วในจิตเดิมเราเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเรารู้หมดนะทุกคนนั่งอยู่ที่นี่เคยเกิดเป็นไส้เดือนกันหมดแล้วลูก เคยเป็นหนูเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาเป็นเปตดอสูรลากายเป็นมาหมดแล้วเราเป็นเทวดาไม่รู้กี่รอบนะลูกนะเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขนะ เ, เข้าใจ lame, หรือเปล่าคำนี้เข้าใจไม่ลูกเทวดาทุกข์มาก glow, ที่ต้องเสพสุขเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมไม่เข้าใจงงนะคนนี้เข้าใจไหม ชอบกินผลมาาไม้ไรลูกถ้าเราเลือกได้ผลไม้ที่เราชอบที่สุดชอบไรลูก <im itation> พูดออกมาทุเรียนชอบไหมถ้าถ้าเรากินของเราชอบเนี่รู้สึกยังไงลูกรู้สึกสุขหรือทุกข์ไหมาเวลาเรากินของชอบเนี่ยรู้สึกยังไงพอใจไหมพอใจนี่สุขเนาะกำลังพอใจอยู่เขาแย่งไปนี่รู้สึกยังไง กำลังพอใจสุขอยู่ดีมันแย่งของกูไปอย่างเงี้ยกูก็เลยทุกใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากินทุเดือนเรามีความสุขเพราะคูถามว่าสุขจริงไหมถ้าพ่อคูให้เรากินทุเดือนปีหนึ่งไม่ต้องกินข้าวกินอะไรกินปีหนึ่งเนี่ยสุขไหมนั่นแหละเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุข จ, จําเจยสมซาเพราะคูเป็นเทวดาแล้วที่อเมริกา เซฟสุกเซฟสุขจนเบื่อเซงทุกมากนะเราเป็นมาหมดแล้วเราแกล้งลืมเฉยๆลูกเราแกล้งลืมถ้าเราเจริญสติสมาธิเรามาเวี่ยงลูกเรารีวายกลับปุ๊บเนี่ยเราจะรีพีทของเก่าเราตื่นขึ้นมาเราจะจำได้หมดมันเป็นมหาสติปัณานที่เราฝึกยุบหนอพองหนอพุทธโถนเรียกว่าอนุสติเป็นสติเล็ก เอามาใช้ชั่วไปจมวันแต่ละเราไม่สามารถระ ล, ลึกอดีตชาติได้เรามาเจริญมหาสติเนี่ยคือสร้างแรงเหวี่ยงรวมกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวเราสามารถเขาเรียกว่าสติใหญ่มหาสติสติใหญ่เราสามารถมีกำลังไปลึกรู้อดีตเราได้เอาอดีตบา ร, รมีเรานี่มาต่อยอดเราจะเห็นอ น, นาคตโอเคนะถามนิดเดียวตอบเยอะ เราตายแล้วไปไหนไปตามกรรมที่เราสร้างวินาทีที่เราจะตายเนี่ยถ้าตายไม่เป็นเนี่ยสมมติว่าชาตินี้เราทำดีเก้าสบเอร์ซเราเผลอไปทำชั่วแค่ส0บเอร์ซนสะิบซตะแต่วินาทีนั้นเราตายไม่ลงเราห่วงรว่นห่วงนี่เราทุกข์มากมันจะไปเสพสิบอร์ซต์ก่อนตกนรกเราเตรียมตัวตายทุกวันมาที่นี่ตอนเช้าเห็นไหม ถ้าตายไม่เป็นลูกคนที่นี่ตายไปจี่คนแล้วพ่อครูมายี่สิบเจ็ดปีเนี่ยตายสี่ห้าคนละวลูกตายแบบนอนนิ่มแบบตายแข็งทุลนทุนทนลายเนี่ยนะแล้วก็ถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยทิ้งไว้สามสี่วันเน่าเหม็นหมดแต่ถ้าตายเป็นนิ่มหมดเลยนะทิ้งกี่ปีก็ไม่เน่าที่ซิรินทร์เรามีที่ขงเจียมเรามีหลวงพ่อคําขนึงไปเห็นไหมใครเคยไปไหม เห็ไหมสรีราท่านนอนอยู่บนตู้กระจกนั้นนะ่ะกี่ปีแล้วก็ไม่เน่าลูกเห็นไหมคือหัวใจไม่เต้นแล้วชีวิตเราไม่ไม่ทํางานแต่ว่าเซลล์นั้นนะ่ะเซลล์ในร่างกายมันยังมีกายวิญญาณอยู่มันยังไม่ตายถ้าบรรลุถึงขั้นอรหันเนี่ยกระดูกเอาไปเผาปุ๊บกลายเป็นพระธาตุลูกเพราะในกระดูกนั้นมันมีวิญญาณอยู่เนี่ยแล้วพิสูจน์ว่าคนที่บรรลุธรรมดลดูตอนที่เขาตายแล้วเป็นยังไงนะ อันนี้มันมีผลปฏิบัติเราไม่ได้หายไปไหนนะที่เราปฏิบัติปุ๊บเราตายปุ๊บเราต้องไปเกิดอีกยังไม่บรรลุอลหรหันต์เนี่ยบรารมีที่เราฝึกปุ๊บมันตามเราไปมันไปต่อยอดอนาคตชาตินะเรื่องนี้ตายแล้วไปไหนตอบว่าไปไ ป, ไปตามกรรมมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ละคนสร้างกรรมอะไรไว้แล้ววินาทีสุดท้ายเนี่ยตายเป็นไหมถ้าตายเป็นปุ๊บนอนยิ้มทำไมยิ้มล่ะ ร่างกายนี้มันมันแก่แล้วมันเป็นรถยนต์เนี่ยตื่นขึ้นมาก็เข็นเข็นเข็ทุกวันเพราะมันแก่ไงเพราะวันใดเราถูกระวันที่หนึ่งเราซื้อรถคันใหม่ทําไมเราดีใจทําไมเราหัวเราะความตายไม่ใช่ความสูญเสียลูกมันเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงคนจีนเขาเรียกว่ากั่วซึ่งเดี๋ยวต่อไปโรงเรียนเราจะสอนจีนกลางด้วยเพราะว่ามันเป็นอาเซียนนะจีนกลางกับภาษาจีนจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาเซียนนะ จริงก็ไม่ได้อยู่ในอาเซียนอเมริกาก็ไม่อยู่ในอาเซียนอังกฤษไมอ่อาเซียนแต่เป็นภาษาสากลนะกั่วเซิงหมายถึงเปลี่ยนร่างคําว่าตายนี่ไม่ได้สูญเสียนะมันเปลี่ยนจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจิตเรารู้เรื่องนี้เรายิ้มเลยนะฉันได้เปลี่ยนรถคันใหม่ทำไมเราไปอุ้ยกูยังไม่อยากตายเราไปกอดรถสับปะรังเคไว้ทำไมเห็นไหมความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียจําไว้แล้วเราจะตายแบบไม่ทรมาน นะอันนี้ต้องฝึกตายก่อนตายนะทำไมนกถึงมีปีกแต่คนไม่มีปีกแล้วเทวดามีปีกไหมรู้แต่เรื่องไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกนะถามว่าทำไมงูไม่มีขาทำไมคนมีสองขาทำไมวัวมีสี่ขาพระรูเจ้าตอบว่าเช่นนั้นเอง มันคือเช่นนั้นเองมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาตินกมันเป็นสัตว์สัตว์ในบนบินอากาศมันก็ต้องมีปีกนะอันนี้มันเป็นเรื่องถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์เทวดาอามเออพระอาทิตย์มาจากไหนดวงจันทร์มาจากไหนเถียงกันตายแล้วร้อยชาติก็ไม่มีคำตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์อะไรที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตเราอย่าไปเสียเวลานะ รู้แค่เป็นขยะความรู้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะมันตอบว่าเช่นนั่นเองมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยตามธรรมชาติข้อนี้แรงหน่อยหนึ่งก็คือนิพพานคืออะไรนะตอนนี้เขาเถียงกันว่านิพพานคืออัตตาหน้าตาอะไรแล้วเนี่ยสำหรับพวกกูแลวนิพพานยังไม่ใช่นิพพานเลยจะเป็นอะไรนะมันไม่มีชื่อเรียกถ้าเรียกปุ๊บเนี่ยมันจะมานั่งเถียงกันนิพพานคืออะไร นิพพานเนี่ยเป็นชื่อสมมุติเรียกจิตซึ่งบรรลุธรรมซึ่งดับทุกข์ได้แล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเหมือนถ้าลูกมีโอกาสเรียนปริญญาเอกเขาเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่ไม่เกี่ยวกับตัวเราด็อกเตอร์เป็นชื่อเรียกมาตรวัดความรู้ของเราระดับไหนระดับปริญญาเอกเขาเรียกด็อกเตอร์นิพพานเป็นชื่อเรียกระดับจิตซึ่งบรรลุธรรมขั้นสูงก็คือว่าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะเกิดมาวันแรกเป็นเทวดาอยู่ดีด พอเสพกรรมดีหมดเกิดมาวันแรกเป็นลูกเศรษฐีก็แหกปากร้องอย่าง้รเห็นไหมทุกตั้งแต่วันแรกเกิดถ้าเราต้องการพ้นทุกถ้าเรายังไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายนะั้นไหนๆก็เผือมาเกิดแล้วเห็นคนแก่เดินไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอตัวฉันฉันกลัวมากคนแก่เธอห้ามแก่นะแล้วเธอห้ามเจ็บด้วยนะแล้วฉันไม่อยากตายด้วยเห็นไหมตายเลยมีแต่ร้องไห้เดี๋ยวเธอห้ามตายไหมมันเชื่อเราไม่ลูกร่างกายนี่มันเชื่อเราไหม มันไม่ใช่ของเราลูกถ้าของเรามันต้องเชื่อเราเห็น ไ, ไหมเราเราคือจิตมีอย่างเดียวยอมรับว่าเออยอมรับความเปลี่ยนแปลงเคนะถ้าไม่รีบไปเร็วเร็วเนี่ยวันนี้ก็ไม่เสร็จเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วจริงหรือเปล่าครับจริงครึ่งหนึ่งลูก นะที่เขาเรียกว่ า, เ, า, เ, าเขาเรียกว่ากรรมกาหนดแน่นอนไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียวกรรมเก่าทำให้เราเกิดมาอยู่ในร่างนี้เจอพ่อแม่แบบนี้ทำไมคนนี้เกิดมาพ่อมันเป็นเศรษฐีทำไมนี้เกิดมาพ่อเป็นคนจนทำไมนี้เกิดมาเป็นงูเป็นหมาเป็นแมวอันนี้กรรมเนี่ยส่งให้เราเกิดอยู่ในร่างนั้นทีนี้อยู่ที่กรรมปัจจุบันด้วยเราเลือกได้ เราจะเลือกทวนกระแสหรือเราจะเลือกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปนรกเลี้ยวขวาไปไปสวรรค์ตรงไปนิพพานอันนี้เป็นกรรมปัจจุบันกรรมเก่าบวกกรรมใหม่คือผลเ <c oughs> ช่นเดียวกันบุญเก่าบวกบุญใหม่ก็คือผลเช่นเดียวกันถ้าเราไปเติมฝ่ายบุญนะบุญกับกรรมมันวิ่งไล่กันมันไล่บี้กันถ้าเรากรรมปัจจุบันเนี่ยเราไปสร้างกรรมดีเราไปสร้างบุญเนี่ยฝ่ายบุญมันไปก่อนนะ อันนี้เราเลือกได้นะลูกเราเปลี่ยนชีวิตเราได้ไม่ใช่ว่าเออปล่อยไปตามกรรมปล่อยไปตามกรรมก็เหมือนน้ามันไหลลงที่ต่ำนั่นแหละแต่ถ้ากรรมปัจจุบันเรายอมทวนกระแสเราเหนื่อยหน่อยเราทวนกระแสลูกนะเราก็หลุดจากกระแสกรรมนั้นได้นะก็คําพูดเนี่ยเออมันเป็นถูกครึ่งหนึ่งกรรมกําหนดให้เราเกิดอยู่ในร่างนี้ส่วนปัจจุบันนี้เราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตรงไปก็ได้ นะแล้วแต่พวกเรานะอดีตเราเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ปัจจุบันเราเลือกทำได้นะถ้าจริงแสดงว่าคำขอขมาไม่ใช่ถ้าจริงแสดงว่ากำหนดมาให้คนบางคนทำผิดไปเรื่อยๆใช่ ถ้าเราไม่ยอมทวนกระแสมันเราก็ปลนไปตามกรรมมันก็ไหลลงมาไหลลงไปเรื่อยๆนะถ้าเราเข้าใจว่ากําหนดมาแล้วเราก็ไม่ยอมทําความนี้ปฏิบัติทำทําไมก็ปล่อยไปตามกรรมมันเหมือนมีเหตุผลแต่ไม่ใช่เหตุผลเป็นเข้าใจผิดกรรมปัจจุบันเราเลือกที่จะยอมแพ้มันตามมันเรือวเราทวนกระแสที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เราทวนกระแสกรรมเรามาสร้างกุศลละจิตเข้าใจไหม เราก็ต้องถวนกระแสรเราต้องเลือกกับการเหนื่อยอุ้ยเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวน่วนเดี๋ยวนี้บอบช้ำอะไราเนี่ยเราต้องจ่ายแล้วเราจะถวนกระแสรกรรมได้อย่าไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวนะทําไมเราถึงต้องตายและตายแล้วไปไหนครับก็เมื่อกี้ตอบแล้วนะก็สั่งแล้วอย่าตายสิฉันไม่ชอบตายเนี่ย เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้เจ้าไป็นตัดสรู้ความจริงตามธรรมชาติมีสามอย่างลูกเขาเรียกว่ากฎพระไตรลักษณ์ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าดำรงอยู่ได้ยากถามว่าไอ้ไอแก้วใบนี้อยู่ได้ล้านปีไหมไม่มันมีอายุขของมันตัวเราก็เหมือนกันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ มันมีอายุไขของมันมันเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาตินะมันต้องคําว่าตายเนี่มันต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงมันก็รีไซเคิลใหม่นะแล้วเอาเราไปเผาก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินธาตุดินนี้ก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เห็นไหมเราเคยเป็นต้นไม้เป็นอะไรมันเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ตลอดเวลาแต่ว่าจิตวิญญาณเราไม่มีวันตายเราคือจิตนะ เราคือจิตยนสือ่อหลิงผู้สือ่อภาษาจีนกลางบอกว่าคนนี่ต้องตายแต่จิตไม่มีวันตายถ้าเราฝึกจิตแล้วเนี่ยถึงวันที่ไอ้ร่างกายมันตายเรายิ้มเราจะไม่ทุกข์นะทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเพาะครูก็ได้แค่บอกประสบการณ์เฉยๆนะถ้าผมตายผมจะสามารถเกิดเป็นอะไรได้ต่อไปครับ อยู่ที่กรรมเราบันทึกไว้นในจิตกรรมเนี่ยเป็นตัวกําหนดให้เราไปอยู่ในร่างที่ดีขึ้นยกตัวอย่างว่าร่างเราทุกวันนี้นะเปรียบเสมือนทุกๆเคยเห็นทุกๆไหมอคุณค่ามันเท่ากับทุกๆแต่ถ้าเราสร้างบุญกุศลเยอะๆตายแล้วปุ๊บเราอาจจะเกิดอยู่ในร่างซึ่งเป็นรถเบนซ์มียกตัวอย่างเฉยๆเราจะมีร่างที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเราขับทุกๆแล้วก็ไปกินเหล้ า, มาเมายา ไปขโมยของเขาไปชกต่อยเขาไปสร้างกรรมใหม่พอตายปุ๊บไม่มีทุกๆนะนะไม่ไม่ได้เป็นคนด้วยอาจจะเกิดเป็นหนูเป็นหมาเป็นแมวเป็นไส้เดือนหรืออาจจะเกิดเป็นคนก็อยู่ในร่างอะไรลนะ่ะจั ก, กรยานก็ยังไม่ได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีต้นทุนอันนี้ไม่ใช่ยมพบาลที่ไหนไม่ใช่เทวดาที่ไหนกําหนดชีวิตเรากรรมของเราเนี่ยบันทึกเองลูก เราหนีไปอยู่ในห้องน้ําคนเดียวเนี่ย ส, ยสบายสบายไม่มีใครเห็นเลยแต่คิดแต่เรื่องชั่วไายกิจช้าคนนั้นกูเกลียดมันนั่นอันนี้เนี่ยมันบันทึกเต็มเต็มเลยลูกเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะอย่างเรามาโรงเรียนเราไปที่ไหนก็ช่างเราไปบ้านใครเรามีหน้าที่สร้างสารรค์บ้านนั้นนะคนอื่นไม่รู้ช่างมันแล้วเข้าไปนห้องน้ํามันเปื้อนฉันถูใหญ่เลยอุ๊ยขอบคุณมากเลยไอ้คนที่มันทําให้มันส ก, กรปรก ค, คนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกเต็มเลยลูก เราเป็นผู้ให้ละอันนั้นได้ร0อยเปอร์ซนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนี่กวาดใบไม้เก็บขยะเพื่อให้ครูเขาเห็นฉันอยากได้คะแนนเนี่ยอันนี้ได้สิบเซเพราะเราทำไม่ได้จากสมนึกเราเราทำจากเขาสั่งให้เราทำเราต้องการคะแนนแต่พอเราเข้าห้องน้ำไม่มีใครเห็นเลยเราถูใหญ่เลยมีความสุขมากที่คนอื่นเขาทำศกกระบกเราได้ทำความสะอาดจิตเราบันทึกเต็มๆอันนี้ได้เต็มร้อยนะ เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้ลูกทำไมบางคนถึงได้เข้าจิตล่ะคะและเข้าจิตเพราะอะไรนะเข้าจิตเพราะอะไรอันนี้เป็นคำถามตรงๆที่ดีมากทำไมต้องเข้าจิตแค่อยู่ข้างนอก น, นี่ก็ทุกมากมายแล้วเรื่องปัญหาเยอะแยะยัง <c oughs> ไปหาเรื่องทำอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเข้าจิตเนี่ยลูก เพื่อไปเรียนรู้กับจิตเดิมทุกวันนี้ลูกเล่นคอมพิวเตอร์ลูกเข้าไปเว็บไซต์ทำไมลูกนะไปหาข้อมูลวิชาใหม่ๆใช่ไหมอันนี้เราเข้าไปในจิตลูกไปเซิร์ชหาปัญญาความองค์ควา ม, วามรู้ประสบการณ์เราในอดีตลูกและเอาบา ร, รมีฝ่ายบวกที่เราสร้างมานี่มาต่อยอดให้จิตปัจจุบันนะที่เมื่อกี้ฉายดูมีเยอะมากที่สุดนี่ลูก อย่างหมอคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยเรียนโยคะเลยอยู่ๆเขาฝึกปุ๊บเนี่ยเขาทําโยคะเป็นป้แขนมีหลายปีก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยปางตายลูกพอเข้าไปในจิตปุ๊บจิตมันรู้นะมันก็ปรีวายไปสมัยที่ป้แขเคยเป็นโยคยีอยู่ประเทศอินเดียฝึกโยคะมามันก็เอาโยคะตรงนั้นน่ะมาสอนจิตปัจจุบันร่างกายสองสามวันแรกปร้าแขกระบบหมดเลยเพราะร่างกายมันไม่คุ้นเคยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็าหาย แล้วปัจจุบันนี้แกทำโยคะเมื่อไหร่ก็ได้กลายเป็นวิชาไม่ต้องไปฝึกอันนี้คือตัวปัญญานะนี่คำว่าทาไมต้องเข้าจิตนะในการเข้าจิตเนี่ยทำไมถึงปวดหัวไม่หายและทำไมถึงต้องร้องไห้บางทีมีร้องไห้มีหัวเราะร้องไห้นั่นก็คือรับกรรมกรรมที่ไม่ดีเราจ่ายหนี้กรรมทางจิตเราก็ทุกข์ในจิตเห็นหแล้วเราก็ได้ปลดปล่อยอารมณ์ร้องไห้ออกมา ยังเด็กๆ เ, เล่นกันเราจําได้ลูกสมัยลูกเป็นเด็กๆนะเล่นกันเพื่อนชนลงไปร้องไ่ายร้องง่ายลุกขึ้นมาเราก็เล่นกันต่อไงแต่พอเริ่มโตขึ้นนะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มมีทิฏฐิมานะเฮ้ยแขนนี้ต้องชําระสิบปียังไม่สายนะเราโง่กว่าเด็กนะไปกดอยู่นั้นนั่นแหละกลางคืนจะนอนหลับคิดถึงหน้ามันอีกวีนอีกเขาบอกว่าสิปียังไม่สายมันผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนยี่บเกวันเหลืออีกวันหนึ่งจะหมดวีซ่าแล้ว คืนนั้นหลับตาคิดถึงหน้ามันอีกต่อวีซ่าไปอีกสิบปี <c oughs> แบกภูเขาอย่างนั้นโง่ไหมเราทุกข์จนเรานอนไม่หลับเนี่ยเราไม่ให้อภัยเขาเห็นไหมถ้าเราให้ภัยมันเนี่ยเรานอนตัวเบาสบายเลยแต่เราไม่ยอมเห็นไหมพอเรายึงเรียนรู้อย่างมิทิติมาณะเนี่ยยอมไม่ยอมกันถึงตีกันฆ่ากันตอนเด็กๆ เ, เล่นกันบ้างพอชนกันเนี่ยก็ให้อภัยกันมันก็เล่นกันต่อนะ ทีนี้การปวดหัวร้องไห้เนี่ยแหละการร้องไห้เราก็เห็นโอ้อารมณ์เศร้าเป็นแบบนี้นะตอนมันมันฟ้อนลํามันดีใจเอออารมณ์สุขมันเป็นอย่างนี้ทั้งสุขกับทุกข์เราไม่ไปติดมันเราเรียนรู้กับมันแล้วต่อไปจิตเราเนี่ยอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าที่มันสุขเนี่ยเพราะความกังวลไม่มีเลยตัวเราถูกฆ่าทิ้งไปแล้วนะอัตตาไม่มีนะเมื่อความทุกข์ไม่มีนั่นคือสุขแท้ ใครทําให้เราทุกข์ก็ไม่ได้แต่ถ้าสุขเพราะเราได้มาเราสุขปุ๊บพอเขาแย่งม่เราก็เลยทุกข์มันไม่ใช่สุขจริงๆแต่ถ้านิพพานนี่ใครเปลี่ยนเราก็ไม่ได้เราสุขตลอดเพราะเราไม่ทุกข์นะความสุขที่แท้จริงคือความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระจิตอิสระมากนะไม่งั้นพ่อคูอยู่ที่นี่ยี่ปีไม่ได้นะลูกเห็น ไ, ไหมเจอมาเยอะเลยนะ เราเลี้ยงดูเข้ามาตลอดนะสุดท้ายส้ว่าให้เขาไป 9.9% อีกเปอร์เซ็นหนึ่งให้เขาไม่ได้เขาก็ด่าเราละเขาก็ทิ้งเราไปเลยนะเพราะคูไม่ทุกข์หลุดเพราะคูทาความดีแล้วไม่ได้หวังอะไรจากเขาอนุโมทนาสาธุจะไปไหนก็ไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอใช่หมเพราพราะคูไม่หาเรื่องทุกเนาะการเข้าจิตทำให้การเรียนดีขึ้นหรอคะครับก็ดีละคุม นะถามดีแล้วดีที่สุดลูกอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆทํ า, าทลองดูเพราะคูบอกแล้วไงถ้ามันไม่ดีเนี่ยพ่อคูจะให้พวกเราเสียเวลาทำไมเห็น ไ, ไหมบาปนะสมมุติว่าเราไปขโมยนาฬิกาเพื่อนเพื่อนดีใจหรือเสียใจลูกเสียใจเพื่อนเสียอะไรเสียนาฬิกากับเสียใจแต่ถ้าเราไปหลอกให้เขาเสียเวลา หลอกให้เขาหลงทางเขาเสียอะไรลูกเขาเสียชาติเกิดเขาเสียชาติเกิดทั้งชาติให้เขาหลงทางเนี่ยอันนี้ตกนรกนะลูกไม่ใช่เรื่องทำเล่นนะพ่อครูอธิบายก็อธิบายได้เท่านั้นะถ้าเราไม่เข้าไปลองดูนะเข้าลองดูเราก็เห็นเราเอ้ยบางคนเข้าไปแล้วเอ้ยทำไมมันปวดหัวเหรอไมเข้าไปแล้วมันปวดหัวเราเห็นแล้วเขาปวดหัวอย่าหยุดนะ ปฏิบัติจะเรื่อยเอ๊ะบางครั้งทำไมมัน ม, มีความสุขจังเลยคําถามนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์เลยนะคนเข้าไปในจิตน่ะเพราะเราเข้าไปในโปรแกรมไม่เหมือนกันพอไปโปรแกรมที่เราทํากรรมไม่ดีเนี่ยเราก็จ่ายหนี้กรรมด้วยความทุกข์ปวดหัวร้องไห้แล้วก็ได้ปลดปล่อยมันออกมาแล้วไงเดี๋ยวสักพักนึงเราไปเห็นกรรมดีเราสร้างเนี่ยอู้ยมีความสุขมากความสุขก็เวียงทิ้งสุขทุกข์แบบนี้ไม่เอามันไม่ใช่สุขแท้เนี่ยเราขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเนาะ ทำไมการเข้าจิตถึงต้องนอนกลิ้งกับพื้นและทำไมการเข้าจิตนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอหายจากการเข้าจิตแล้วและรู้สึกตัวทำไมต้องเวียนหัวและปวดหัวและเหมือนจะอ้วกเลยคะ่ะนะมันเป็นคือผลข้มงันน่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดา ถ้าเรานั่งแล้วไม่มีอะไรเลยรู้สึกสงบสงบนั่นอันนั้นไม่ได้เกิดผลอะไรเลยไม่ได้จ่ายหนี้กรรมอะไรเลยเห็นไหมที่เรากิ้งเนี่ยทำให้เราเวียนหัวไงไม่งั้นเราไม่ยอมอ้วกอันนี้ถึงขั้นว่ากำลังจะอ้วกยังไม่จบนะหลวกอ้วกเลย <c oughs> กำลังจะอ้วกยังไม่จบนะอ้วกเลยมันจะจบสมบูรณ์มันจะได้ล้างพิษนี่คือ emotion detox นะ เป็นการล้างพิษทางอารมณ์นะแล้วก็บางคนเป็นโรคกระเพาะนะลูกหมอเองมาปฏิบัติที่นี่ก็กินยาไปกดมันไว้กินยาให้มันแค่รู้สึกไม่ปวดเฉยแต่ไม่ใช่โรคกระเพาะมันหายนะมันไม่หายพอเวียนหัวปุ๊บมันจ่ายนี่กรรมทางจิตแล้วมันก็หายโอเคนะมันเป็นขบวนการที่มันกำลังจัดการอยู่ความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเวียนหัวท้องอืดท้องร่วง <c oughs> คือความปกติของสิ่งที่เราทําอยู่สมมติว่าหน้าบ้านเราเราอยู่ในเขตเทศบาลดูมันมีคลองหน้าบ้านใช่ไหยหลายปีแล้วเทศบาลมันไม่เคยมาล้างเลยมันก็ตกตะกอนมันก็มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมวันดีคืนดีนี่เราขยันแล้วก็เปิดฝาตะคลองไอ้คลองนั้นออกแล้วก็ตัดมันขึ้นมานี่ตอนนั้นรู้สึกยังไงมันจะเหม็นมากเลยใช่ไหมอดทนลูกเมื่อเราตักมันหมดแล้วต่อไปไม่เหม็นตลอดการ นี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเตยนะการเข้าจิตนี้มันดีต่อสุขภาพจริงๆริงเหรอคะคำถามนี้มีสองนะการเข้าจิตทําให้การเรียนดีขึ้นเหรอคะชักจะไม่เชื่อเนาะอันนี้ก็การเข้าจิตมันดีต่อสุขภาพจริงเหรอคะอันนี้ก็เป็นการสงสยัยสงสัยและดีลูกแล้วก็ลองทําดู <c oughs> อย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆ ก็โรงเรียนกรพิทักษ์เนี่ยเขาโรงเรียนใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมันหลบโรงเรียนเอกชนเนี่ยเด็ก6กพันกว่าคนครูห้าร้อยเราไม่มีเวลาไงเรามีโปรแกรมที่ว่าเขาเขาติดตามแบบพิธีศาสตร์นะดาราที่เขามีนีดาราเรียนที่นู่นก็มีนะเขาบอกตอนนั้นเขาไปแสดงเขาประมาเขาแสดงไม่ดีพอเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้กํากับว่าไปทําอะไรมาเขาล้างตัวประมา หมดเลยนะแล้วก็ททำเรียนหนังสือก็ดีขึ้นลูกมันมันเป็นล้างอุปทานเรานะเราจะกล้าขึ้นสติสตังเรายังไม่มีสตังเรายังไม่หาเงินเนาะสติเราจะดีขึ้นเนาะแล้วเราจะเรียนหนังสือได้ดีขึ้นลูกเพราะว่าสมองปลอดโปร่งทุกวันนี้เราเรียนไม่ดีเพราะว่าเรามีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดสมาธิสั้นแต่พอเราเวียงแนละ้วเรื่อยๆเนี่ยสมาธิมันจะแข็งแร ง, แ ข, งขึ้นมันจะยาวขึ้น เราจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาสัมผั์มาเยอะเลยหรกมันยาวนะพ่อครูนะบางๆเดี๋ยวเราไปโรงเรียนจะให้ครูเขาทยอยฉายให้พวกเราดูนะทุกช่วงชั้นเขาติดตามผลหมดเลยนะบางคนเรียนไม่ดีหงุดหงิดเป็นโรคซึมเศร้ามันหายหมดลูกนะจิตเรามันจะรักษาถ้าถามพ่อครูดีเหรอครับพ่อครูตอบเลยครับว่าดีครับ พ่อครูการันตีเนาะพ่อครูอยู่กับสิ่งนี้มาย7เจ็ปีและโรงเรียนของเราเองลูกหลานเราเองเราจะทำให้ลูกหลานเวี่ยงจนให้มันโง่าทาไมล่ะก็เวี่ยงให้มันฉลาดสิเนาะเวลาหนูเข้ามาปฏิบัติจิตหนูจะชอบคิดหนูจะพยายามไม่คิดมันก็คิดเหมือนเดิม ใครสั่งให้พยายามหยุดมันให้มันคิดนะปล่อยมันคิดไปเลยลูกนะอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองที่เรามาเต้นมาลัมมาเหวี่ยงอันนี้เปนเป็นเทคนิคให้จิตเรามีหน้าที่อย่างอื่นเพื่อไม่ให้คิดส่วนความคิดปล่อยมันคิดอย่าพยายามจะทําให้มันคิดเราพยายามจะทําให้มันหยุดคิดเราก็คิดแล้วไงคิดพยายามให้มันหยุดคิดเราคิดเพิ่มความคิดอีกนะมันมัน ปล่อยมันคิดไปเลยเราคือจิตตัวรู้เนี่ยอย่าไปคิดตามมันเรามีหน้าที่มาเต้นมารามายืนมาเดินมานั่งมานอนอันนี้เป็นเทคนิคทําให้จิตเราเนี่ยเหมือนมีหน้าที่ให้มันวางความคิดอย่าไปสนใจความคิดลูกปล่อยมันคิดเราถามมันด้วยว่ามึงอย่าหยุดคิดนะกูกําลังสนุกอยู่ให้มันคิดไปเลยจนมันเบื่อคิดเดี๋ยวมันจะเลิกเองเนาะอย่าไปสู้กับมันหลบความคิดทําไมเราต้องมาเข้าค่าย อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะทุกคนเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเราต้องรู้ว่าเราเสียเวลาแม้กระทั่งหนึ่งนาทีทำไมมันได้ประโยชน์อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยนะอันนั้นคือกิเลสเราพูดนะนะถ้าถามว่าครูเข้าค่ายทำไมมาเรียนรู้ให้เห็นตัวเองนะเพราะเราอยู่บ้านแม้กระทั่งอยู่โรงเรียนคุณครูก็มีจำนวนจากัดบางทีเราทำตามใจตัวเองเราคุมตัวเองไม่ได้ ไม่มีใครมาแนะนําเราไงส่วนมาเข้าค่ายมีโอกาสมานั่งร่วมกันอย่างนี้แหละโอเคพระครูก็บอกวิธีกําจัดกิเลสเราวิธีรู้เท่าทันอารมณ์เราทุกวันนี้นี่เราเรียนดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าเรามีสมาธิยาวไหมสู้อารมณ์เราได้ไหมเห็นไหมมาเข้าค่ายนี่เราตามใจตัวเองได้ไหมลูกเขาบอกให้ตื่นกี่โมงไม่ตื่นได้ไหมก็ต้องตื่นไงอันนี้คือฝืนกิเลสละไม่อยากยืนเขาบอกให้ยืนไง โดยเฉพาะลูกๆผู้ชายนะเดี๋ยวพอโตขึ้นนี่เขาจับไปเป็นทหารเห็นไหมไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นไม่อยากวิ่งมึงก็ต้องวิ่งไม่วิ่งก็ถูกลงโทษอีกนั่นแหละคือเราฝืนตัวเองไม่ได้เราต้องถูกระเบียบวินัยช่วยช่วยบังคับให้เราฝืนแล้วต่อไปเราจะเข้มแข็งนะการเข้าค่ายเนี่ยนะมาโดยเฉพาะที่นี่ไม่ได้เข้มอะไรมากมายไม่ได้ทรมานอะไรมากมายนะ ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็รู้จักฝืนอารมณ์ตัวเองบ้างชีวิตเราที่มันทุกทุกวันนี้เพราะเราไม่ฝืนอารมณ์ตัวเองหงุดหงิดก็หงุดหงิดตามมันเลยโกรธก็โกรธตามมันไปเลยแล้วทำให้ตัวเองทุกเองเห็นไมแล้วมาที่นี่เราเรียนวิชาที่จะให้เรารู้เท่าทันกิเลสนะนี่คือประโยชน์ของการเข้าข่ายเรามาเตรียมความพร้อมชีวิตเราเพื่อออกไปต่อสู้ไปเรียนให้มันดีๆเก่งๆ และจบแล้วเนี่ยจะได้มีชีวิตที่มั่นคงอันนี้เรามาเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์พอเราไปฝึกสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไปนั่งกดมันไว้เอาสมาธิไปกดให้มันกดสุกคู่แต่ไอัเชื้อไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่ไงเหมือนเรากดสปริงไว้เห็นไหมกดสปริงไว้กดไว้กดไว้กดไว้เออพอเผลอปุ๊บชนปึ้งเด้งผางขึ้นมาเลย แต่แนวที่เราทํานี่ดูกเรามาทําลายสปริงซะเรามายืดมันออกลูกบางทียืดไม่ออกมันดีดมือเราบ้างเอ๊ะยิ่งเวียงยิ่งอยากอ้วกมาทรมานปวดหัวทําไมอดทนเมื่อเราดึงมันหมดแล้วนี่สปริงตัวนี้นี่มันหมดลทธิ์แล้วมันก็กลายเป็นเหล็กเส้นหนึ่งเราสงบตลอดการเนี่ยดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์อันนี้เราไปแก้ที่ต้นเหตุของมันไม่ใช่ไปกดมันไว้นะไอที่เราทําเนี่ยนะ ทำไมต้องยืนเดินนั่งนอน <c oughs> มันก็เป็นเทคนิคอุบายอย่างหนึง่งที่ทำให้เราฝืนกิเลสเรากิเลสมันไม่ชอบยืนเดินนั่งนอนนะมันเบื่อเรามาวทวาทอะไรที่ทวนกระแสะกิเลสแล้วเราจะเห็นกิเลสเราชัดขึ้นไอ้ตัวเห็นกิเลสเขาเรียกว่าวิปัสนาแล้วจะเกิดปัญญารู้เท่าทันกิเลสและต่อไปกิเลสที่มันสร้างอารมณ์เนี่ยมันจะหลอกเราไม่ได้นะอันนี้เป็นแค่อุบายอย่างหนึง่ง ทุกวันนี้เนี่ยเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งมันเกิดจากพฤติกรรมเราคิดมากเกินไปกินแบบไม่บรญยาบรรยังนะรู้จักคูโก้ไหมรู้จักคูโก้ไหมเออเพราะครูใหม่เมกาใหม่ๆนี่คูโก้เนี่ยมันอยู่ในเมืองมันสวยมากนะปากแดงเล็บยาวใส่ส้นสูงนะเออ เพราะคูจับมาอยู่ในนี้นะจับมาเวียงมันถึงมีครูโก้ทุกวันนี้นะเป็นประธานมูลนิธินะไม่งั้นตอนนี้อาจจะเป็นเออดตายไปแล้วก็ไม่รู้เนาะพฤติกรรมนะแต่ก็ทําได้แค่นี้น่ะเขาก็ยังมีเชื้อเก่าของเขาอยู่เนาะแต่มันไม่ได้ไปทําร้ายใครก็ไม่เป็นไรนะอันนี้บอกให้ฟังเราต้องเปลี่ยนที่พฤติกรรม นะเรารักษาโรคนี่ต้องแก้ที่พฤติกรรมบางทีเราเป็นไมเกรนเป็นอะไรเพราะเราคิดมากเข้าใจว่าพอเราคิดมากเราก็เครียดมะเร็งก็ตามมามันเกิดจากพฤติกรรมนะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเราใหม่นะแล้วพฤติกรรมตัวนี้ทําให้ร่างกายเราเนี่ยยกตัว อ, อย่างถ้าลูกๆไปตากแดดมากเกินไปเป็นยังไงเป็นไข้ใช่ไหมลูกเราไปเพิ่มธาดไฟเข้ามาไงพฤติกรรมที่เราไม่รักษาตัวเอง แต่ทีนี้เกิดว่าฝนตกเราไปตากฝนแล้วก็หนาวก็หนาวนะพฤติกรรมตอนนั้นทําให้เราเย็นเกินไปเราเป็นเป็นไข้หวัดนะพฤติกรรมทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บทําให้ร่างกายเราอุณหภูมิเนี่ยร้อนเย็นมันไม่ปกติมันไม่สมดุลเห็นไหมแพทย์แผนไทยทางเรื่องเขาก็รักษาว่ามันร้อนทําให้มันเย็นนะมันเย็นทําให้มันร้อนขึ้นให้มันสมดุลแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ รักษาที่ปลายเหตุฉีดยากินยาผ่าตัดนะอันนี้ปลายเหตุลูกมันมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเราต้องแก้ที่พฤติกรรมนี่แหละที่เรามาเข้าค่าเนี่ยเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราสู้กิเลสไม่ได้สู้อารมณ์เราไม่ได้นะยังไม่จบเนี่ย ทำไมพ่อครูจึงให้มาเข้าข่ายเฉยธรรมเมื่อกี้ตอบแล้วเนาะมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองลูกแล้วก็ข้อที่สามทำไมเราต้องทํากิจกรรมเอสทุกวัน <c oughs> เรากินข้าววันหนึ่งหยุดไปเจ็ดวันได้ไหมลูกเราอาบน้ําทุกวันไหมถูกอาบแล้วอาบครั้งหนึ่งก็พอลูซีปีหนึ่งอาบครั้งหนึ่งก็พอลูกเปืองน้ําได้ไหม เอา้าทำไมไม่ได้ตำรวจก็ไม่จับนะแล้วทำไมอาบเอาอาบเอาเนะีพอให้เช็คแอนแดนหน่อยเอ๊ะักถามแล้วทำไมต้องเช็คแอนแดนทุกวันเรากินข้าวทุกวันเรารักษาร่างกายจิตใจอารมณ์เราทุกวันเช็คอัพโยมายเช็คตัวนี้คือเช็คอัพโยมายกระตุ้นจิตเราให้ตื่นตื่นรู้ <c oughs> พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาพร้อมที่จะเรียน แล้วก็แดนเซอร์ไซ์ออกกำลังกายทุกวันด้วยการเต้นนี่คือคำตอบนะมันเป็นกิจวัตรประจำวันเราต้องดูแลรักษาชีวิตเราลูกไม่ใช่ฉันออกกำลังกายแล้วอาทิตย์หนึ่งชาตินี้ไม่ต้องออกเลยพอแล้วไม่ได้นะเอกินข้าววันนี้พอละปีหน้าค่อยกินเนี่ยไม่ได้นะนะอันนี้คือคำตอบเราต้องทำทุกวันลูก ทำไมพ่อครูถึงสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กมาเรียนนะที่นี่ไม่ใช่สร้างให้เด็กมาเรียนนะที่ศูนย์พลรานคอยให้ด็อกเตอร์มาเรียนด้วยผู้ใหญ่ก็มาเรียนคำว่ามูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลานคอยเนี่ยไม่ใช่เด็กยากจนไม่ใช่คนจนนะผู้ด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตลูก คนจบด็อกเตอร์เขต้องมาเรียนที่นี่เข้าใจไหมส่วนที่เป็นโรงเรียนนั่นเราอยู่ในวนัยนี้รัฐบาลบังคับว่าต้องเรียนอย่างนี้เนี่ยพวกครูมาจากอเมริกาเนี่ยพวกคกรูทําเกษตรเพื่อชีวิตก่อนอยู่ที่ไร่แหลมทองรุ่นพ่อครูโก้นั่นแหละนะจับมาอยู่แถวนี้อยู่ในเมืองมาอยู่ในป่ามาปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกอะไรไม่มีสารพิษแล้วก็เราปฏิบัติธรรมนะเออ เราทำตรงนั้นก่อนทีนี้พ่อครูทำตั้งปีสามสองนะปีสามสองผ่านมายี่สิบเจ็ดปีแล้วนะคนเขาก็มาดูงานลูกมะม่วงกำลังออกสวยๆยังเหมออยู่อย่างนี้นะทุกมีตั้งทุกพันมะม่วงหกพันกว่าต้นเขามาดูงานมาดูงานใช่ไหมมันก็เด็ดมะม่วงทิ้งหมด <laughs> มันมาเที่ยวนะ พ่อครูบอกว่ามาดูงานในไล่แหลมทองนี่เลี้ยงข้าวฟรีด้วยนะเออสมัยพ่อคูโก้เนี่ยเอาเขามากินเที่ยงนะมาร้อยคนแล้วก็เตรียมอาหารยืนปัดมแมลงวันอยู่นั่นนะมันมาบ่ายสองโมงพนะพวนักวิชาการนะมันก็มาบ่นอีกไกลมากเลยเนี่ยเรายังไม่บ่นเลยนะเราลอมันจากเที่ยงถึงบ่ายสองนะมันแวะเที่ยวช่องเมกไงไเลี้ยงข้าวฟรีอีกยังมาบ่นอีกแล้วมาเที่ยวมาเล่นใช้เง่นประมาณให้มันหมด พ่อครูไม่ใช่ละพ่อครูเลยสร้างคนเปิดโรงเรียนนะพวกครูโก้พวกนี้ไปเรียนกน็สนวไปเป็นครูกันหมดเห็นไหมนี่คือคําตอบว่ามาทําโรงเรียนสร้างคนแต่สร้างได้ไหมยังตอนนี้พ่อครูยังทําทไม่สําเร็จนะยังมีคนที่เขาไม่ยอมฟังเราอยู่นะแต่ต้องทําต่อไปลูกอย่าง น, น้อยอยู่ที่โรงเรียนเราเราเน้นเรื่องความปลอดภยัยนะ แล้วก็ส่วนเก่งแค่ไหนเนี่ยเราก็พยายามเนี่ยสร้างาห้องต่างๆเทคโนโลยีให้พวกเรามีโอกาสนะเก่งไม่เก่งไม่อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่พวกเราเอง ล, ลูกจะเอาไหมถ้าเราขยันหน่อยเราก็เก่งไงครูเก่งแค่ไหนก็ช่างถ้าพวกเราไม่เอาเราก็ไม่เก่งนี่แหละคําตอบว่าทําไมสร้างโรงเรียนพ่อครูสร้างคนไงลูกทําไมพ่อครูถึงสร้างกิจกรรมนี้เพื่ออะไร เพื่อให้พวกเรากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเตรียมพร้อมที่จะไปต่อสู้ชีวิตในอนาคตเมืองไทยก็ต้องต่อสู้หลายประเทศทุกวันนี้ไม่ใช่สู้เอาปืนยิงกันนะมันเป็นสงครามเศรษฐกิจถ้าคนไทยโง่กว่าเขาเนี่ยเราก็ถูกมันหลอกโกงหมดเข้าใจหรือเปล่าพวกพวกครูรักชาติไงนะพ่อครูต้งมาสร้างคนแล้วก็ทากิจกรรมนี้เพื่ออะไรสร้างคนไม่ใช่เก่งวิชาการอย่างเดียวมันจบดอกเตอร์มันจะ เป็จะฆ่าด็อกเตอร์ด้วยกันนะก็ฆ่าตัวเองตายอย่างนั้นก็ไม่เอาโงา่ต้องสร้างคนที่ฉลาดรู้จักใช้วิชาการตัวนี้เนี่ยไปสร้างฐานะตัวเองไม่เดือดร้อนมีส่วนเกินช่วยเหลือสังคมด้วยพ่อครูก็ลองต้องการคนแบบนั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราถึงพวกเราต้องมาเข้าค่ายนะมาฟังพวกกูพูดหน่อยหนึ่งพวกคูไม่ได้สั่งพวกเรานะขอนะขอลองได้ไหมมาช่วยกันดูแลโรงเรียนรอหน่อยหนึ่งช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีได้ไหม ช่วยทำให้ตัวเองเป็นคนขยันได้ไหมนีแล้วขยันเราก็ได้เองไงเราดีเราก็ได้เองพวกครูไม่ได้อะไรจากเรานะแต่ต้องขอบคุณพวกเราเพราะครูได้ทําบุญกับพวกเราพวกะคูได้บุญมหาศาลได้ให้ทำมาทานเข้าใจไหมสร้างโรงเรียนเป็นวัตถุทานนะให้ข้อคิดพวกเราได้ได้ทำมาทานทําให้พวกครูเหนื่อยพวกครูก็ให้อภัยทานพรากครูได้เต็มเต็มเลยเนอะคนนี้ก็ถามดีมากหลอกมิแต่เรื่องพ่อครูทั้งนั้นอะ ทำไมพรอครูไม่เก็บเงินค่าหนังสือและสิ่งของต่างๆและค่าเทอมกับพวกเราพ่อครูไม่ได้ค้าขายนี่ลูกใช่ไหมถ้าเก็บเงินแล้วเราได้ทําบุญหรือเปล่าไม่การซื้อขายกันพวกครูไม่โงนะ่นะนักวิชาการมาถามว่าเออพ่กครูทําไมต้องเสียสละขนาดนี้พราคพวกครูไม่โง่ที่จะเสียสละนะพ่กครูทําในสิ่งที่มันควรทํามันเป็นบุญไงทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เรานะพ่อครูไม่โง่นะ ถ้าจะเก็บเงินพวกพวกพวกเราเนี่ยพ่อครูมีเงินอยู่แล้วพ่อครูจะเอาเงินมาเหวี่ยงทิ้งทําไมล่ะพ่อครูก็กอดเงินพ่อครูอยู่อเมริกาไม่ดีเหรอเนาะพ่อครูไม่ได้ค้าขายนะพ่อครูมาทําบุญทําไมพ่อครูถึงเลือกมาอยู่ป่ากับเพราะในเมืองมันวุ่นวายลูกนะตอนนี้ก็เข้ากรุงเทพจะไม่ลูกสมัยก่อนพ่อครูอยู่กรุงเทพตอนหนุ่มๆเราไปจับปะชนภัยเนี่ยเราไปในป่าลูกเขาปืนไปล่าสัตว์ เผอปุ๊บเสือมันะตะบมันตปะปบเราเลยนะนั่นไปประจนภัยแต่ตอนนี้ประจนภัยต้องประจนภัยเข้าเข้ากรุงเทพลูกพอข้ามถนนนี่นเผอปุ๊บเสือสีกระึงแล้วมันวิ่งเร็วมากแนละมันเหยียบเราเลยนะนั่นนายาดีธรรอยู่สีลมนะกลางกรุงกรุงเทพลูกเดินถือสะพายกระเป๋าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มามันดึงปุ๊บถีบล้มเลยเห็นไหมน่นประจน l ภัยไงพราะคูนี่มันมาลูก พ่อคุยมาอยู่ในป่าตอนนี้สงบไม่มีเสือมากินเรานะคำตอบนะั้นมันฉลาดแล้วไงมนถึงมาอยู่ป่าเนาะคนโง่เท่านั้นถึงจะวิ่งไปอยู่ในเมืองทำไมถึงไม่ได้แข่งวิชาการกับโรงเรียนอื่นและไปแข่งกีฬากับโรงเรียนอื่นการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกเราเคยจัดลูกไปไปแข่งกีฬากับโรงเรียนเอกชนใกล้ๆนี่แหละ เดี๋ว่าแต่นักเรียนนักเรียนไม่ค่อยไปไหนละไอ้ครูเนี่ยอิจฉากันพอแข่งอะไรเด็กเราชนะมึงก็หาเรื่องอะไรเนี่ยครูก็ทะเลาะ ก, กันด้วยพวเพราะครูบอกหยุดไม่ต้องไปเราเองก็ไม่ต้องแข่งขันกันเองทุกวันนี้เราเล่นกีฬาหรือเราประเมินสอบเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนนะลูกเราแข่งกับตัวเราเองว่าประเมินว่าเราทําได้แค่ไหนเราก้าวหน้าได้แค่ไหนอย่าไปแข่งกับคนอื่นที่นี่การแข่งขันคือทำให้เราแตกแยกเมืองไทยทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ดึงพระมาทะเลาะ ก, กันด้วย อย่าเป็นอย่างนั้นลูกอย่าไปเชื่อเขาไม่ต้องแข่งช่วยกันช่วยเพื่อนทุกคนให้ได้หมดทุกคนถ้าเราแข่งกันจะเป็นที่หนึ่งนะเรื่องอะไรกูจะบอกมึงมันจะเกิดความเห็นแก่ตัวไม่เอาเราจูงแขนกันไปคันทั้งหมดเลยนะอันนี้คือคำตอบมันอย่าไปแข่งลูกพาะครูใช้เวลากี่ปีในการสร้างโรงเรียนนี้พราะครูอยู่ที่ยี่นี่ยี่สิเจ็ดปีพ่อครูก็สร้างมาตลอดแต่จาวันเดือนปีไม่ได้ละ เอาเป็นว่าเริ่มจากอนุบาลขึ้นปหนึ่งก็ปีหนึ่งปอสองมาไล่ๆ ไ, ไ, ไปเรื่อยจนจนนี้มหกนั่นแหละปีขนาดนั้นเป็นนับดูว่ามันกี่ปีเนาะปีนี้เป็นปีมหกปีแรกไงลูกนะแล้วเราจะไม่หยุดแค่นี้นะตราบใดที่พวกกูยังหายใจอยู่ยังมีกำลังพวกกูก็จะเสริมให้โรงเรียนเรามีพร้อมมากกว่านี้ลูกนะ ก็มีอีกสองใบนะผมมีเรื่องอยากถามพรอครูสามข้อดังนี้ครับทำไมเวลาผมสั่นแรงๆเต้นแรงๆเหวี่ยงแรงๆแล้วทำไมผมรู้สึกปวดหัวมากทำอย่างไรครับผมถึงจะหายปวดหัวจะต้องทำบ่อยๆและเป็นประจำหรือครับก็จะหายปวดหัวและกลับมาทพกิจกรรมได้อย่างเต็มที่คำตอบคือใช่ครับปวดหัวนี่เขาเตือนเรา มีใครบ้างที่ไม่เคยคิดยกมือขึ้นมีไหมแสดงว่าคิดหมดคิดคือมโนกรรมอยู่การปวดหัวคือผลของกรรมยิ่งถ้าเราเวียงนะเราเวียงเปล่อยไปตามร้อยเปอร์เซ็นนะพอหยุดปุ๊บจะเบาถ้าเราเวียงปุ๊บเราคิดด้วยปุ๊บมันจะดึงมาที่หัวเนี่ยมันจะหนักที่หัวเลยมันจะทำให้เราเห็นว่าอย่าคิดเบาๆหน่อยหนึ่งสมัยก่อนพ่อครคิดจนเป็นไมเกรนก็กินยา ผลิทยาหมดมันก็เป็นอีก27ดปีพ่อคุูไม่ต้องปวดหัวเลยพวกพวก่อครูไม่ได้คิดไม่ต้องคิดเวลาเวียงไม่ต้องคิดแต่เราคิดอยู่แล้วปล่อยมันคิดอย่าไปคิดตามมันถ้าเผลอคิดตามมันปุ๊บมันจะดูดอารมณ์นั้นมาอยู่ที่หัวหนักหัวไม่เป็นกลัวยิ่งเก็บยิ่งเวียงยิ่งปวดยิ่งเวียงอย่าไปห น, นีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพ้นเราหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้ายอมรับมันจ่ายมันเดี๋ยวนี้ต่อไปเราจะสบาย อย่าแบกมันข้ามพบข้ามชาติฟังพ่อครูนะนั่นละ่ะคำถามก็มีคำตอบแล้วทำไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับแล้วสุดท้ายเราจะข้ามพ้นวิบากกรรมตัวนั้นถ้าผมอยากเรียนเก่งๆผมต้องทำยังไงครับนอกจากการตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วมีวิธีไหนอีกบ้างครับที่จะทำให้ผมเรียนเก่งๆนะบางทีขยันแบบงโง่ๆก็ไม่สำเร็จนะนะ ไม่ใช่ขยันอย่างเดียวลูกนะต้องมีสติปัญญามีสมาธิคาว่าสมาธินี่คือสำคัญมากเพราะครูฉายดูวันนั้นเนื่องจากว่ามันกินเวลายาวพวกเราก็เหนื่อยเนาะก่อนพิทักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวยอ่อตัวรายละเอียดนะเขาอา่านหนังสือเนี่ยเขาก็หมุนนะทำสมาธิเขามองเขาฟังเขาก็หมุนได้ผลมากลูกโดยเฉพาะอยู่ที่บ้านคนเดียวนะลูกเวลาอ่านหนังสืออ่านออกเสียงนะ ได้ยินเสียงที่หูมันจะมารู้ที่ใจมันจะบันทึกเข้ามาในจิตเว็บไซต์เราเลยเนี่ยนะลองดูลูกนะต้องมีเสียงเสียงมีอิทธิพลสำหรับเรามันจะเข้าไปเต็มเมเลยนะเดี๋ยวเราจะเก่งนะก็ว่างๆเช็คจิง้งสันในความฟุ้งซ่านอะไรมันออกผ่อนคลายร่างกายเมื่อร่างกายาแข็งแรงจิตใจผ่องใสสมองปลอดโปร่งเราเรียนอะไรก็เรียนดีขยันก็ดีแล้วลูกเป็นพื้นฐานนะ แต่ก็ต้องทำสมาธิผมไม่ค่อยมีสมาธิเลยผมจะฝึกทำสมาธิได้ด้วยวิธีใดบ้างครับผมถึงจะมีสมาธิมากขึ้นนี่ไงเรามาฝึกละเราไม่มีเวลาทำเยอะขนาดนี้เนียเช้าสายบ่ายเย็นสี่เนี่ยนะตื่นเช้าขึ้นมาลุกเข้าห้องน้ำก่อนจะแปรงฟันน่ยยืนเช็คกิ้งสักห้านาทีก็พอทุกวัน ไม่ต้องมีเสียงลูกยืนสัน่นหลับตาเหมือนไปดึงสติสมาธิเรามาอยู่ในแกนการของการสัน่นดึงสติสมาธิเราตื่นขึ้นนะแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าแล้วก็เวลาเดินอยู่กับการเดินเวลายืนอยู่กับการเดนเวลาอ่านอยู่กับการอ่านนะนั่นแหละเดี๋ยวจะเก่งการปฏิบัติธรรมคืออยู่ปัจจุบันตลอดและกลางคืนอาบน้าเสร็จอย่าลืมอาบจิต ด, ด้วยจะนั่งเวียงไม่มีเสียงก็ได้ลูก นะเปิดเพลงอะไรก็ได้หรือว่าจะขอจะขอเพลงนี่ไปไปเอาที่ลานคาหลูกฟรีแจกนี่ไปเอาเลยคำบรรยายพระคูณเนี่ยไปเอาไปฟังที่บ้านนะไปฟังมีเพลงก็ฟังถ้าไม่มีเพลงก็นั่งหมุนเบาๆขอสัก20่สมนาทีทุกวันแค่นี้พอเลกเวลาไปโรงเรียนเวลาเรียนก็อยู่กับการเรียนเวลาเล่นกีฬาอยู่นก็เล่นกีฬานั่นคือปฏิบัติธรรมเดี๋ยวชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับ มีความคิดอย่างนี้ก็ดีแล้วอยากจะายให้ตัวเองพัฒนานี่คือเครื่องมือการพัฒนาดีบ้างไม่ดีบ้างนะลูกคิดว่าเป็นโรงเรียนของเราพวกคูก็ขอฝากพวกเราช่วยดูโรงเรียนหน่อยหนึ่งนะคนที่ชอบเล่นชอบอะไรก็เล่นไปเถอะหอเล่นอยู่ในกรอบที่คิดว่าอย่าทำลายข้าวของอย่ารังแกเพื่อนอันนี้พ่อครูไม่ได้สั่งนะพ่อครูไม่มีสิทธิ์ในตัวเราพ่กครูขอนะช่วยกันดูแลหน่อยดีช่วยกันทาบุญ นะเขาให้ทุกคนเดินทางกลับไปด้วยสวัสดิภาพนะแล้วให้ทุกคนสมเร็จในชีวิตลูกแล้วเจอกันใหม่โอเคนะ